ตอบทรงปรารบภิกษุณีทุลลนันธาถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีทุลณนันธาสั่งให้ซื้อของอย่างหนึ่งแล้วกลับให้ซื้อของอีกอย่างหนึ่งในนิสสกิยปาจิตติสิกขาบทที่หนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน เกิดด้วยสมุดฐานหกสมุดฐานและ